ฉันจะห้ามใจได้จะอดใจได้นี่ก็ต้องฝึกนะ้อปฏิบัติเขาก็ถามว่าปฏิบัตินี่ปฏิบัติอย่างไรก็แนะนำเขาเรื่องการเจริญสตินะนเช่นเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินหรือว่าเวลาทาอะไรก็ตามก็ให้รู้ว่าทำสิ่งนั้นรวมไปถึงการกินข้าอาบน้ำถูฟันก็ให้รู้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 อันนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนะนั่นมันเป็นความคิดอาการเจริญสตินี่มันไม่มันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะวางความคิดลงชั่วคราวเมื่อยกมือก็รู้สึกว่ายกมือเมื่อเดินก็รู้สึกว่าเดินนะไม่ต้องมีความคิดไปกากับนะหลายคนนี่พอพอไม่ใช่ความคิดเนี่ยก็จะรู้สึกเคว้งคว้าง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 เบอร์โทรศัพท์เพื่อนจำได้ว่ากิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างจำได้ว่าเมื่อเสร็จการอ บ, บรมแล้วนี่จะต้องไปหาแม่หรือว่าจะไปหาเพื่อนอันนี้นัดจำนัดหมายได้อันนี้เป็นเรื่องสติที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้ว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 เงินหายไปไหนหลานบอกไม่ได้หายกยยายเพิ่งให้ไปเมื่อกี้นี่เองโอแล้วไปเนี่ยความจําเนี่ยมันคนนี้พอแก่ตัวเนี่ยนะจะจําได้ไประเดี๋ยวเดียวแล้วความความลืมก็จะก็จะมาจําได้ไประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลืมแล้วลืมเร็วมาก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 พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจนนึกถึงอดีตไม่ได้เรานึกได้นะถ้าเรานึกแบบใครครวญเช่นเราทํางานนะเราก็มาประเมินว่าเอองานมันเป็นอย่างไรมีข้อผิดพลาดตรงไหนอันนี้เราเรียกว่าใครครวนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสนับสนุนให้ทำํำนะหรือว่าเราถึงวันเกิดเราเราก็ใครครวญชีวิตที่ผ่านมาว่าเรา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 นั่ก็คอยมีความเพียรในทําไปเรื่อยๆโดยความเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้วเห็นคุณค่าของมันอะคํานี้ก็พูดกับท่านนี้แลครับ